Music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 หยุดนิดหนึ่งแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าณที่นั้นรพระพเจ้าไดกา้กล่าวกระชาวขับเกวียนทั้งหลายว่ารพระพเจ้ามีความเชื่อว่าทุกคนซึ่งนั่งกันอยู่ในที่นี้ต่างก็มีคุณงามความดีด้วยกันแต่ใครจะมีดีข้อไหนเป็นพิเศษหรือที่พอจะอุ่นใจได้ว่าเกิดมาแล้วชาติหนึ่งได้มีโอกาสชมตัวเองได้สักเรื่องหนึ่งก็ยังดีไม่ถึงกับ หาความดีของตัวเองไม่พบเลยสักอย่างเดียวแม้ในส่วนชั่วก็คงจะมีกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ในที่นี้ใครจะขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนรึกดูว่าท่านมีคุณงามความดีอะไรบ้างในส่วนชั่วจงยกไว้จงมองหาส่วนดีในตัวของท่านให้พบแล้วกล่าวมาคนละอย่างที่พอใจที่สุดว่าควรถือเป็นหลักประจาชีวิต ชาวขับเกวนพากันหัวเราะขึ้นด้วยเห็นเป็นของขบขันแล้วต่างก็นั่งนึกค้นหาความดีในตัวเองด้วยกันทุกคนเมื่อข้าพเจ้ากล่าวขึ้นชาวขับเกวียนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสูงอายุในที่นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่นายท่านเคยสังเกตไหมว่าคนในโลกนี้เมื่อถามถึงข้าวของเงินทองของผู้อื่นนั้นย่อมถามด้วยความมุ่งหมายต่างกันเป็นสองอย่าง รพระพเจ้ารีบสอดขึ้นขอให้ท่านให้ความรู้จากขรพระเจ้าในข้อนี้ดีกว่าอย่าให้เป็นผู้ตอบเสีเองเลยชายผู้นั้นจึงกล่าวต่อไปว่าที่ว่าคนในโลกถามถึงข้าวของเงินทองของผู้อื่นก็ด้วยมุ่งหมายสองอย่างนั้นคือบางคนเมื่อถามทราบว่าใครมีอะไรตนจะได้ขอหรือขอยืมบุคคลประเภทนี้เมื่อสนทนากับใครและแต่ถามถึงเรื่องวัตถุสิ่งของหรือเงินทอง ย่อมเพ่งประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งเพราะเหตุที่เคยชินในทางแต่จะให้ตนได้โดยไม่เลือกว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นจึงหมดกระดาษอายในการขอหรือยืมของผู้อื่นส่วนบุคคลบางคนตรงกันข้ามเป็นผู้มากด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้ามีเรื่องที่จะถามถึงเข้าของเงินทองของใครใครก็เป็นไปในทางที่ต้องการจะทราบว่าถ้าของใครบุกพ้องขาดแคลนตนจะได้เฉลือเจือจานให้ปัน หรือให้ยืมส่วนตนเองนั้นจะพยายามหาทางช่วยตนอยู่เสมอไม่จําเป็นก็ไม่ออกปากเพื่งไครในบุคคลสองประเภทนี้คราพรเจ้าเลื่อมใสบุคคลประเภทหลังมาตั้งแต่ยังเป็นนมจึงบำเพ็ญตนเรียนแบบผู้ที่ข้าพเจ้าชอบเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้มักมีเครื่องใช้เช่นเชือกตอกประจักษ์มีดขวานมากเป็นพิเศษเสมอเวลาใครมีธุระอะไร หรือต้องการเครื่องใช้แล้วเขาก็มักจะมานึกถึงข้าพเจ้าก่อนถ้าวิ่งมาหาก็มักจะได้ไปเสมอหรือบางทีข้าพเจ้าก็มักเตือนให้เขาจัดหาไว้ก่อนถ้าพอที่จะแบ่งให้ไปได้ข้าพเจ้าก็มักจะแบ่งให้ไปข้าพเจ้าพอใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีข้อนี้เพราะรู้สึกเป็นสุขและปลอดโปรงใจที่ได้ช่วยคนอื่นอยู่เสมอ ชาวขับเกวียนทั้งหลายหัวเราะ ก, กันขึ้นพร้อมกันและต่างก็รับว่าพ่อเท่านั้นเป็นผู้น่านับถืออย่างยิ่งในทางเอื้อเฟื้อเรื่องของใช้คราวนี้ถึงลําดับของชาวขับเกวียนอีกคนหนึ่งซึ่งมีปกติไม่ชอบพูดมากมีใจหนักแน่นเยือกเย็นและยิ้มแย้มอยู่เสมอเมื่อข้าพเจ้าเร่งให้กล่าวเรื่องของเขาออกมาก็นั่งนิ่งอยู่เป็นครู่แล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่นายข้าพเจ้านึกว่า การพูดมากเหมือนใบาตาลต้องลมคราวกราวอยู่ตลอดเวลานั้นสู้การพูดพอประมาณหรือการนั่งนิ่งฟังไม่ได้เพราะผู้พูดมากมักจะก่อความรำคาญแก่คนทั้งหลายก่อทะเลาะเหตุทะละวิวาสโตเถียงกันอยู่เสมอไม่มีอันจะจบลงได้แม้แต่การพูดประกอบด้วยธรรมครับพรเจ้าก็ยังได้ยินว่าผู้พู ด, พดควรเลือกการละเทสะไม่ใช่พูดพร่ำเพื่อ จนทำให้คนทั้งหลายเบื่อหน่ายด้วยเหตุ น, นี้ขระพระเจ้าจึงมักจะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นใบไปเสียทีเดียวขระพระเจ้าพอใจคุณความดีข้อนี้และขอแสดงอานิสงส์ให้ฟังว่าขระพระเจ้าไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครเลยชาวขับเกวียนทั้งหลายหัวเราะขึ้นอีกคราวหนึ่งแล้วรับว่าเป็นจริงอย่างนั้น รพระพเจ้าจึงเตือนคนต่อไปให้พูดถึงความดีที่เขาชอบและบำเพ็ญอยู่บ้างชายนั้นได้กล่าวขึ้นมาว่าข้าแต่นายมารดาของรพระพเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสในสมเด็จพระบรมศาสดาท่านเคยสอนว่าผู้ดีนั้นมีสองอย่างคือผู้ดีโดยชาติหรือโดยทรัพย์อย่างหนึ่งผู้ดีโดยความประพฤติอย่างหนึ่งการเกิดในสกุลสูงหรือมีทรัพย์มากแม้เขาจะนิยมกันว่าเป็นผู้ดี ถ้าขาดความประพฤติดีแล้วก็หาใช่ผู้ดีที่แท้จริงไม่ผู้ใดก็ตามแม้เกิดในสกุลต่ำหรือว่ไรทรา์แต่ว่ารู้จักประพฤติตนเรียบร้อยรู้จักอ่อนน้อมทำ ต, ตัวต่อผู้ควรอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานไม่แสดงอาการกิริยากักขระยาบขายต่อใครๆพยายามเลี่ยงการใช้วาจาหยาบลนูนหรือหยาบคายต่างผู้นั้นยํานักว่าเป็นผู้ดีควรจะการคบค้าสมาคมแท้ พราพเจ้าเลื่อมใสในคำสอนของท่านมารดาผู้เป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้จึงพยายามประพฤติตนในทางรู้จักอ่อนน้อมรู้จักขอบใจผู้มีอุปการะแม้แต่น้อยตลอดจนพยายามเว้นการกระทหรือวาจาที่กักขละหรือหยาบคายต่างๆจนเพื่อนๆนล้อว่าพูดหยาบไม่เป็นสเสลยดังนี้ ชาวขับเกวียนทั้งหลายก็พากันยิ้มและรับรองอีกว่าผู้นั้นพูดหยาบกับใครไม่เป็นเลยข้าพเจ้าจึงถามชายอีกคนหนึ่งซึ่งมีปกติเป็นคนชอบพูดให้คนทั้งหลายหัวเราะเพื่อให้สำแดงคุณงามความดีที่เขาชอบใจออกมาชายคนนั้นก็กล่าวว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าได้ยินว่าพระสารีบุตรเทะเจ้าผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของอ ง, องค์สมเด็จพระบรมศาสด า, ศาท่านเป็นผู้ไม่โกรธใคร ถ้ารู้ว่าใครไม่ชอบท่านด้วยเหตุอันใดๆก็มักจะไปขออภัยเขาก่อนเสมอแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้น้อยกว่าท่านอีกอย่างหนึ่งคนมักโกรธย่อมมีหน้านิ่วคิ้วขมวดเบื่งตึงอยู่เนืองนิดแม้เป็นคนงามก็สิ้นงามไม่มีใครปรารถนาเข้าใกล้เพราะไม่รู้แน่ว่าผู้นั้นจะมีจิตใจปลุนแปรประย่างไรบ้างจําเป็นต้องคอยเอาใจหรือระวังมิให้โกรธนอกจากนั้นคนมักโกรธอยู่ในที่ใด ยอมทําให้ที่นั้นแม้จะเยือกเย็นมีลมโชยกลายเป็นที่อบอ้าวเร่าร้อนไม่น่าอยู่ทําให้คนผู้อยู่ใกล้เคียงพรอยเดือดร้อนกระวนกระวายไปด้วยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงพยายามหลีกเลี่ยงหรือระงับความโกรธพยายามทําใจของตัวเองและผู้อื่นให้เบิกบานอยู่เนืองเนืองท่านผู้เจริญข้าพเจ้านําเรื่องคุณงามความดีที่จําได้จากชาวขับเกวียนบางคนมาเล่าให้ฟังเพียงยอยอดเท่านี้ พราะมีผู้กล่าวหลายคนด้วยกันและบางคนก็นั่งนิ่งขอตัวว่าพูดไม่เป็นท่านจะวิจารย์อย่างไรก็สุดแต่จะเห็นสมควรเถิดสีหะเซนาบดีนิ่งฟังอย่างใช้ความคิดในที่สุดก็กล่าวขึ้นว่านายกองเกวียนผู้เจริญ ข้อที่ท่านกล่าวมานี้นับว่าดีน่าพิจารณาบุคคลแต่ละคนเมื่อกล่าวในทางที่ควรก็น่าจะมีคุณงามความดีเป็นหลักของใจกันบ้างแม้ไม่มากเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดีเลยบัดนี้ครัพระเจ้าจะขอวกเข้าสู่เรื่องจริงที่เป็นปัญหายุ่งยากเฉพาะหน้าและท่านก็มีโอกาสรู้เห็นด้วยตนเองอยู่แล้วกล่าวคือท่านย่อมรู้ดีว่าแขวนมคตนั้น กำลังเตรียมสงครามอยู่ส่วนแคว้นวัตชีซึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่บังคับบัญชาทางทหารเราก็ได้รับคำสั่งจากลิชวีสภาให้เตรียมการสงครามเช่นเดียวกันถ้าท่านถามทางกรุงราชครก็คงจะไม่มีใครตอบว่าตนต้องการสงครามและต่างก็ประกาศความที่ตนเป็นคนรักความสงบแม้ท่านมาในกรุงไผ่าลีนี้ท่านก็จะได้เห็นได้ฟังว่าตัวข้าพเจ้าเองผู้เป็นนายทหารด้วยซ้า ก็ยังนิยมชมชื่นในหลักสันติธรรมไม่ต้องการก่อสงครามแต่ทั้งสองต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันและต่างก็เตรียมเข้าสู่สงครามต้องระมัดระวังสืบสวนและส่งจาะระบุรุษไปในที่ต่างๆด้วยวิธีเป็นอันมากเมื่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏดูจะเป็นการขัดแย้งกันในตัวเช่นนี้ท่านจะมีความเห็นประการใดท่านผู้จเจริญถ้าข้าพเจ้าจะกล่าว หรือเล่าเรื่องราวแต่ฝ่ายเดียวในที่ประชุมนี้เรื่องที่ได้ฟังก็คงจะมีแต่เรื่องเล่าและความคิดเห็นของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นในปัญหาเฉพาะหน้านี้ข้าพเจ้าขอเป็นผู้ฟังท่านเสนาบดีกล่าวอธิบายเพื่อประดับความนึกคิดดูบ้างขอได้โปรดกล่าวต่อไปเถิดเมื่อธนิยะขอตัวไม่ออกความเห็นเช่นนั้นสีหเสนาบดีก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่า นายกองเกวียนผู้เจริญข้าพเจ้าจะให้ท่านฟังความคิดเห็นของพีมะเสนะดูบ้างกล่าวดังนั้นแล้วก็หันไปทางพีมะเสนะเป็นเชิงเตือนให้พูดพีมะเสนะผู้มีปกติมีความชิดและการกระทำอะไรมักจะเป็นไปในทางรุนแรงกล่าวว่าตามความเห็นของข้าพเจ้าการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันและเตรียมการสงครามนี้เพราะมนุษย์เราไม่ชอบ เก็บวิชาที่ตนร่ำเรียนมาไว้เปล่าๆกลุ่มสหารเคยเรียนวิชารบเมื่อประมาณดูกำลังของคนกำลังอาวุธว่าเข้มแข็งพอจะสู้เขาได้ก็อดคิดในทางที่อยากจะลองฝีมือบ้างไม่ได้ทางนี้ก็เป็นเพราะมนุษย์เรายัางมีกิเลสนั่นเอง